ท่านฟังที่รับค่ะจะมาพบกับรายการสัสนาสัทนาช่วงที่สองกันดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องขอเรียนท่านฟังที่รับทุกท่านว่ารายการของเราก็ได้ออกอากาศมาเป็นเวลาเป็นปีๆแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าตื่นเตทุกท่านไม่มากก็น้อยน่าจะมากอ่ะค่ะเพราะว่าเราก็เสนอเนื้อๆ เ, เลยทีนี้บางท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนมาฟังไม่นานคงจะ อาจมีความคิดว่าเอเรามาฟังช้าไปหรือเปล่าหายหกตกลนในธรรมะข้อใดไปหรือเปล่าดิฉันเองเนี่ยเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ซึ่งศึกษาพุทธวจะนะอย่างจริงจังอีกรูปหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเวลาในช่วงถัดไปนี้ด้วยก็คือพระอาจารย์ภบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหโสอุดรธานีค่ะนวสักการะท่คะเชพา ที่ที่ฉันพูดไปว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับการมาฟังทีหลังคนอื่นเป็นปีเนี่ยเป็นอย่างไระคะท่าคะกินข้าวเวลาไหนมันก็อิ่มเวลานั้นแหละคื อ, อยาวติอแต่ถ้าคือเราถ้าเรารับประทานอาหารที่ถูกต้องใช่ไหมอันนี้ถูกกากรสชาติเราถูกจากธาตุของเราเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์เดียวนั้นทีนี้คือแน่ๆเนี่ยคือมันคลายความหิวสิ่งที่เราต้องการระ ง, งับเนี่ยคือความหิว เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังเพิ่งจะมาเคยฟังปีนี้อะไรช่วงนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ยังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทต้อชน ะ, ะใช่ไหมแล้วแล้วก็เป็นไปได้ไหมคะว่าพอพูดพูดไปเรื่องเนี้ยก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ผ่า น, านมาแล้วอืได้หรือเป็นวัตจักรที่มันเกี่ยวกันอย่างเนี้นคะ่ะได้คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นสัญญา มจะเป็นความจําความหมายรู้ที่คุณมารู้อยู่ส่วนไหนที่จะมีสอดคล้องกับคําสอนของพระพุทธเจ้าอากจะเป็นเรื่องของอนิจจสัญญาใช่ไหมคุณก็จะได้ข้อมูลนี้มันก็จะเขาเรียกว่าะระลึกรู้ถึงสิ่งเหล่าเนี้มันก็จะทําให้เหมือนกับน้อมเข้ามาใส่ตัวเองได้คะ่ะอย่างอาจจะมาเองนะตอนแรกๆเราบำบวดนี่ก็30แล้วน ะ, ะเราคิดว่าถ้าเราบวชตั้งแต่20จะดีกว่าไหมเราเคยมาคิดอย่างนี้ เออแล้วสปีที่ผ่านไปนี่มันสูญหายหรือเปล่าเ อ, อ, เ อ, อะแล้วถ้าเราบวชตอนนี้กับบวชอีกสิปีข้างหน้ามันจะเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยหรืออันนี้ก็คือถ้าเปรียบเทียบก็คือการมาศึกษาคําสอนพระเจ้าเนี่ยนะค่ะก็ได้พบคําตอบว่าอย่างนี้ว่า เ, เวลาที่เราอย่างสมมติคนมาบวชอย่างเงี้ยถ้าคุณบวชอายุน้อยเกินไปคุณยังไม่เห็นความทุกข์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อมันก็จะไม่ดีค่ะแต่ถ้าเห็นความทุกข์มากเกินไปคุณปล่อยวางไม่ได้มันก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน ค่ามันก็ต้องอยู่ในเวลาที่เขาเหมาะสมอ่ะก็จะต้องบอกองี้ว่าเวลาปัจจุบันนี่แหละคือเวลาที่ดีที่สุดละ่ะนะคะปัจจุบันเนี่คือเวลาดนะิท่านพูดมาตรงนี้ดิฉันต้องสนทนากับท่านเรื่องนี้เลยค่ะอพอดีระหว่างทํายการกับท่านไปก็จะอ่านทั้งสือพิมพ์ไปด้วยบ้างในบางครั้งไปพบบทความจากนักจิตวิทยาอืซึ่งมีการพูดถึงปัจจุบันที่ท่านกําลังพูดด้วยนะคะแต่นี้ดิฉันกําลังจะพูดในประเด็นที่ว่า บางคนเนี่ยเขาก็จะพูดว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นปรัชญาอย่างหนึง่งมันคนก็บอกว่าศาสนาพุทธกับจิตวิทยาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้บทความที่อ่านเนี่ยเป็นบทความจิตวิทยายัางไงเดี๋ยวจะอ่านเพราะมันสั้นแล้วอยากให้ท่านอ่านได้พิจารณาดูและให้ความรู้หน่อยนะคะว่ามันเรื่องเดียวหรือต่างกันอย่างไรบทความนี้เนี่ยเขาลงในหนังสือข่าวสดคนเขียนอยู่กลมสุขภาพจิตคงเป็นแคราชการนะคะชื่อคุณนฤพักษ์ก็บอกว่าความสุขเนี่ยทุกคนก็ ต่างปรารถนาแต่ว่าบางทีเนี่ยยิ่งขวาคว้ า, วาเหมือนยิ่งหายเขาเลยชี้ว่าจริงๆเราไม่ได้หายไปไหนเพราะความสุขเนี่ยเกิดจากจิตใจและความคิดของเราดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจึงขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกาหนดและบอกวิธีด้วยนะคะว่าสามารถทำได้โดยมองโลกในแง่ดีมองหาแง่มุมดีๆในสิ่งที่พบเจอค้นหาสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขแม้แต่เรื่องเล็ก ที่เรามองข้ามแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ประการถัดมาก็บอกไม่ยึดติดอยู่กับอดีตเพราะบางเรื่องเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ความเสียใจให้จะไม่สามารถมองเห็นความสุขที่อยู่เคียงข้างกับสุดท้ายค่ะบอกให้อยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันสร้างความสุขให้ตัวเองอย่ามัวกังวลถึงอนาคตที่มาไม่ถึงเพราะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นความสุขใกล้ตัวอยู่ที่เราเนี่ยแหละจะเลือกมองความสุขที่อยู่ ข้างกายหรือมองความทุกข์ที่เพียงผ่านมาในเท่านี้ค่ะก็ถ้าพูดถึงส่วนส่วนที่จะมีส่วนที่ ส, สอดคล้องกับคําสอนพระเจ้าอยู่เหมือนกันค่ ะ, ะคืออย่างเช่นว่าเรื่องของความสุขที่ไม่ให้ยึดติดกับอดีตหรือว่าอนาคตใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ก็ต้องพูดถึงว่าให้เรามีสติอยู่ในกายนะให้มีสติอยู่ในสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็จะ จะทําให้เราไม่ยึดติดในปัจจุบันคือ ถ, คถ้าเราไม่ยึดติดในอดีตอนาคตมันพูดง่ายอยู่ค่ะเราก็อาจจะทําได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราไม่ยึดติดในปัจจุบันเนี่ยอาณมาว่าทํายากมากกว่าออคุณบางทีเรายึดติดในปัจจุบันเราเพลินไปกับปัจจุบันเราลุ่มหลงในปัจจุบันเสียหายเหรอคะการที่เรายึดติดอยู่กับปัจจุบันก็นั่นจะทําให้เราเป็นทุกข์ในปัจจุบันไงคือทุกข์ในอดีตใช่ไหมสมมติเรานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว คนนี้มันทำให้เราจีดเราไปนึกถึงอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณเอาสิ่งที่เป็นอดีตมาทําให้คุณทุกข์ใช่ไหมถ้าเราเอายังไปยึดติดในสิ่งที่เป็นอนาคตเช่นฉันต้องการได้เงินสักหมื่นล้านแต่ไม่ได้ยึดติดมากตอนปัจจุบันคุณจะทุกข์คุณเอาสิ่งที่เป็นอนาคตมาทําให้คุณทุกข์ในปัจจุบันแต่ถ้าคุณเอาปัจจุบันยึดกับปัจจุบันเช่นลูกต้องลูกฉันต้องเป็นอย่างนี้บ้านฉันต้องสะอาดอย่างนี้เพราะเอิญบ้านไม่สะอาดคุณก็เป็นทุกข์อยู่กับปัจจุบันเพราะบ้านไม่สะอาด เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องยึดนะ่ะทั้งอดีอาาตอนาคตปัจจุบันก็เท่ากับว่าอยู่สมมติไม่ยึดไม่ยึดอดีตนะคะออือแล้วก็ไม่กังวลกับอนาคตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใช้คําว่าอยู่ได้ใช่ไหมคะใชะ ม, มัไม่ใช่ยึดมีสติอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมันก็มีส่วนเหลื่อมๆซ้อนๆกันอยู่ที่ว่าจิตวิยากับคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ย เป็นเรื่องเดียวกันก็จะต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงว่าในเรื่องของความที่บอกว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาถ้าไขว่คว้าแล้วก็จะจะยิ่งไม่ได้นะอันนี้ก็จะพูดถึงคือบางคนเขาก็จะได้นะอย่างเช่นว่าคุณปรารถนาความอิ่มท้องคุณอยกจะซื้อข้าวขาหมูมากินอันนี้คุณก็จะได้ความสุขที่เกิดจากกินข้าวขาหมูอันนี้คือเราเห็นได้ชัดเจนทีนี้พระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงจะแบ่งความสุขออกเป็น2ออย่างไง <ะ>ถ้เราแบ่งกันให้ชัดเจนไปเลยนะก็จะมี2 อ, อย่างคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือกามสุขนะคือความสุขที่จะมีโ<ะ>ทษมากาแล้วก็ความสุขอย่างที่2คือความสุขที่เกิดจากในภายในคือความสุขตั้งแต่สมาธิระดับ<ม>ที่1ขึ้นไปเรื่อยๆแบ่งแยกได้เป็น2 อ, อย่างนีอ้อย่างแรก<ะ>คือความสุขที่เป็นทางกามเนี่ยคุณยิ่งไคว้คว้าคุณอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ไม่แน่แต่ก็บังคับก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ แต่ที่แน่ๆคือมันจะมีทุกพวงมาเยอะด้วยนะเราก็จะสูญสิ้นไปจากมันได้ง่ายในขณนะเดียวกันสิ่งที่อย่างที่สองคือความสุขอย่างที่สองเนี่ยถ้าเรายิ่งต้องการเรายิ่งอยากเนี่ยเราจะไม่ได้เนี่ยอันนี้คือที่พูดถูกว่ายิ่งควยคว้าจะไม่ได้อันนี้คือความสุขอย่างที่สองแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ความเพีย้ยนเข้าไปได้ถ้าพูดถึงว่าความสุขนั้นเรากําหนดก็มีส่วนถูกอยู่ ตรงที่ว่าเราใส่ความเพียนของเราเข้าไปถ้าคุณมีความเพียรในการที่คุณจะมาทําจิตให้มันหลีกเร้นให้วิเวกเนี่ยคุณจะได้ความสุขอย่างที่สองแน่นอนเอคุณเป็นคนจนเหรอคุณก็ทําได้คุณเป็นคนรวยเหรอคุณก็ทําได้คุณสีผิวอะไรดาเหรอได้เทาเหรอก็ได้แล้วคุณอยู่ที่ไหนภาคเหนือภาคกลางได้หมดแต่คนที่ไม่ได้คือคนที่ไม่มีศีลถ้าคุณไม่มีศีลคุณจะหวังว่าจิตคุณจะเป็นสมาธิเนี่ยยากมากอืมไม่ได้ จะพูดไงไม่ได้แล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะรบขอประทานโทษค่ะท่านตอบก่อนเพราะว่าศีลเนี่ยจะทําให้เราร้อนใจคนไม่มีศีลเนี่ยจะทําให้เราร้อนใจคือถ้าร้อนใจคุณจะไม่ได้ความสุขที่เกิดจากในภายในเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเป็นปกติห้อย่างที่พุทธเจ้ากำหนดไว้ก่อนนะเบื้องต้นแล้วถ้าคุณจะต้องการฝึกสมาธิจากความเป็นปกติคือศีลระดับนี้คุณทําได้ เราจะไม่ร้อนใจเราก็จะทําสมาธิให้มันลึกซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนได้อันนี้เรากําหนดเองแน่นอนเท่ากับว่าท่านกาลังบอกว่าศีลนี่ต้องมา ก, ก่อนสมาธิถึงจะตามมาได้ถูกต้องอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปนะโอ้เหรอคะอถ้าสมมุติว่า <laughs> อย่างนี้ไม่ได้เหรอคะเดี๋ยวดยวิฉันขอถามเป็นแบบทางเลือกนะค ะ, <laughs> ะเป็นธรรมด า, าก็คิดอยากจะทําดีนะแต่เหมือนกับว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันยังใช้ผิดศีลบ้าง อาจจะเรื่องฆ่าสัตว์เนี่บางอย่างมันมเล็กๆน้อยๆเราก็มีอาชีพค่าปลาฆ่าเปลือยเลสมมตินะฮะแล้วก็อาจจะ้เรื่องขโมยเนี่ยบางทีก็มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ<ม>เดินผ่านมาบ้านนี้เขามีมะมว่วงก็ไม่เห็นเขาเก็บกินเลยกเก็บมากินให้เขามไม่ได้บอกเขาหรอกนะฮะแล้วก็โกหกบ้างเหมือนบางครั้งมันจําเป็นนะไม่งั้นเดี๋ยวภรรยาเอาตายเลยสมมตินะเออดื่มเหล้าเนี่ย บางทีกรุ๊ปหนึ่งมันนอนหลับสมมตินะคะแต่ว่ามีศรัทธามากเลยขี้เกียจรอคะอ่ะมันศรัทธามาถึงแล้วนั่งสมาธิเลยไม่ได้เหรอคะศรัทธาตรงเนี้จะอยู่ในส่วนของพละในะกําลังของจิตของเราอันนี้จะหมายความว่าจะทําให้คุณถ้าคุณถ้าคุณปล่อยวางได้นะคือคุณจะปล่อยวางได้เร็วถ้าคุณทําถูกแล้วคุณจะทําไปได้เร็วถ้าคุณมีศรัทธานะคะ่หมายความว่าความเร็วในการที่คุณจะบรรลุเนี่ยมันจะเร็วกว่าคนอื่นถ้าคุณมีศรัทธาแต่คุณการที่คุณจะมาบรรลุได้คุณต้องมีศีล เพราะถ้าคุณทำศีลแก้ไขให้ถูกต้องสักหน่อยหนึ่งปรับนิดเดียวคุณจะยิ่งไปพาางเลยถ้าคุณมีสตาถ้าอย่างนั้นดิฉันผสมสูตรแล้วก็เอาออกมาเองเสนอท่านนะคะให้พิจารณาว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมคือในกรณีที่ยกตัวอย่างไปเป็นบุคคลประเภทยังมีศีลด่างพร้อยอใจร้อนอออได้ยินว่าสมาธิดีแล้วก็ได้ลองนั่งและชอบลุยไปข้างหน้าเลย ระหว่างนั้นก็ยังมีภาระเรื่องต้องไปจัดการกับเรื่องสีนด่างพร้อยอืแต่จัดการอันนี้ได้ได้ทําลุยอันนี้ไปก่อนได้ไม่ต้องไปเคลียร์ให้สีครบทสสะอาดทุกข้อก่อนถูกไหมคะคือตรงนี้มันอยู่ที่ความเป็นปกติของคุณมากน้อยแค่ไหนไงเราพูดถึงความเป็นปกติอนะนะสมมุติว่าถ้าเราไม่ขโมย อ, อยู่เป็นปกติแล้วอาจจะมีในอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะตั้งจิตไม่ถูกสักสามครั้งอ่าแสดงว่านในสามครั้งตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ปกติในความเป็นปกติของคุณใช่ไหม เพคุณไม่ปะกะติในความเป็นปะกะติคุณตรงนี้มันจะให้ผลตรงที่ว่าบางทีเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ใจรวมได้ไม่ไม่แน่นแน่นานนเท่าไหร่อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อิส่วนที่ได้ก็คือได้ไงอออก็ก็คือว่าให้ตั้งมาตรฐานให้สูงไว้ส่วนมันอาจจะบกพร่องไปบ้างโดยความไม่ตั้งใจใหรือโดยความจําเป็นก็ไม่เป็นไรไ<ม>ดีกว่าไม่ได้ตั้งจิตปะกะติเลยแต่ขอให้รู้ว่ามันมีผล ค่ยแก้ไขไปอะไรที่ไม่ได้คแก้ไขอปแล้วความเป็นกำลังใจมากขึ้นไหมคะเนี่ยบางบางคนแจะมาเห็นหลายคนนะเขาพอทําอะไรผิดพลาดไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยจิตก็ไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นโอ้ชีวิตฉันมันแย่ฉันเป็นคนบุญน้อยวาสนาอน้อยฉันทําไม่ได้แล้วก็เลิกเลยนะโอ๊ยมันจะเสียประโยชน์มากอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเราทําได้นิดได้หน่อยเราก็เอาได้น้อยเราก็ยังได้ค่ะคือเหมือนกับบางคนเนี่ยพอพูดถึง เรื่องการปฏิบัติการอยู่ในธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยบางคนก็จะเหมือนกับบอกว่านะแต่มันเผลอทำผู้นี้หรือจาเป็นต้องทํำผู้นี้อยู่ด้วยเลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ทําในสิ่งที่ดีกว่านี้เพราะว่าเจียมตัวเองอ่ะว่ายังไม่สามารถทําตัวเองได้หมดจดอืมแไปวิธีอย่างนั้นนะคะท่านจะเสียโอกาสอันนี้พระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณเนี่ยตั้งตัวเองอยู่ในอกุศลธรรม ค, คือคือคิดว่าตัวเราอยู่ใน ก, กุศลธรรมมานะทําให้จิตของคุณมีความคิดด่างพร้อยอย่างนี้เอาใหม่นะคนเดียวกันคุณตั้งจิตใหม่เอาแค่ว่าตั้งอยู่ในกุศลธรรมที่เราเคยมีให้เราก็คิดถึงเรื่องที่เราดีๆที่เราเคยทํานะโอ้ฉันก็เคยให้ทานนะนี่ฉันก็เคยช่วยเหลือเด็กข้ามถนนนกันนะบางทีฉันก็เป็นคนพูดดีเหมือนกันพอเราคิดแค่นี้จิตเราตั้งอยู่ในกุศลธรรมผู้เจ้าให้อาศัยกุศลธรรมนั้นนะ่ะทํา กุศลให้ยิ่งขึ้นไปให้อาศัยกุศลธรรมนั้นนะละอกุศลธรรมที่มีมาแล้วเราจะทําได้ไงอย่างคนที่มีสมาธิเนี่ยพระเจ้าให้เอาสมาธิตั้งไว้เลยแล้วจเจริญวิปาาัสสนาคนที่มีวิปัสสนาให้คุณเอาวิปัสสนาของคุณที่มีนะ่ะตั้งไว้เลยแล้วคุณจเจริญสมาธิทําให้มันสมดุลกัน อ, อย่างนี้เราจะไปได้ค่ะอันไหนดีอันไหนมีเราเอาอันนั้นไว้ก่อนค่ะก็ทําให้ท่านทั้งหลายใจชื้นแล้วนะคะก็คงจะสบายใจกัน มาเริ่มต้นลงมือกันเลยดีกว่าจะ ว, ว้าวเวไม่มีใครเป็นเพื่อนก็มาเริ่มกับตอนต้นของรายการา ส, สัมมนทนาตอนตีห้าท่านมาก็ได้และในนะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีแต่ผู้ช่วยภาชนะนะที่<ะ>เราก็ฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิลึกๆเนี่ยฟังที่หูนะถ้าเราฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิลึกๆเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายเบื้องลึกแล้วก็ทําให้จิตของเราเป็นสมาธิได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ อนุกรรมการขอบพระคุณท่านเพบิพุลในวันนี้ไว้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในปาร์ทอนกการค่ะทั้งวันที่รครูค้าที่ผ่านไปนั้นก็คือพระเพบิพุลอภิปุโนจากเมตตาดอนหาโศุดรนธานีซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าท่านได้อธิบายให้เราเห็นว่าสบายใจได้มากขึ้นในคนที่ยังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เหมาะเพราะเรายังบกพร่องไม่ใช่นะคะอย่าไปว่าตัวเองอย่างนั้นจะเท่ากับเรายังมีอกุศลในใจอยู่นะคะก็ มุ่งหน้าทำตามที่ท่านได้บอกไปในรายการซึ่งล้วนแล้วแต่นํามาจากพุทธวจนะที่พระพุทธองตรัสไว้ก็แล้วกันค่ะนะครวันนี้ก็คงต้องส่งท้ายกันด้วยการที่ถ้าท่านต้องการให้ท่านไปบูรตตอบคาถามแบบกระจางแจ้งอย่างนี้นำเอาพุทธวจนะมาตอบระส่งไปที่เพียวธรรม .com/106 นะคะส่วนท่านที่ต้องการจะศึกษาพุทธวจนะว่าพระพุทธองค์ตรัสอย่างไรน่าศึกษาที่สุดค่ะดิชันเองเนี่ยในฐานะที่ก็พูด เพื่อการทำงานมาโดยตลอดเนี่ยจำนวนในวิธีการพูดของพระพุทธองค์จริงๆนะคะแล้วก็ได้พบว่าเมื่อตั้งใจอ่านจริงๆก็ไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่เราคิดเรานำเอานังสือที่ท่านทึกฤิโสทิพโลท่านเจ้าวาดวานาปภ ง, งล้ำมุกกาของสิบมาแจกให้ท่านกันสัปดาห์ละสามเล่ม น, นะคะเอขออภัยค่ะวันละสามเล่มสัปดาหน์นก็คูณเข้าไปสมห้าสิบห้า 02-269-0006 ศค่ะวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามรับฟังรายการกันอีกปี5สัสนีสนทนาที่ FM106 นี้พุทธวสสวัสดีค่ะ